สัพเพสังาขารทุข่าสังขารคือร่างกายจิตใจและรูธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากรอะเกิดขึ้นแล้วแค่เจ็บตายไปสัพเพธรรมมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวง ทางที่เป็นสังคาญแต่มีใจสังคัญทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใจตัวไม่ใจตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวตัวตนของเราอทุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั้งยืนทุวังมรันอัง ความตายเป็นของยั่งยืนอาวาสร้งางอรยมริตตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มารณะปริโยสร้างนางเปชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรองชีวิตตังเม็นอนิยตัง ชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงวาตาควรที่จะสังเวชอายังกายโยร่างกายนี้อาชิรังมีกล้ตั้งอยู่นานอนเญญาเปตวิญญาณโนร่างปราศจากวิญญาณชุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้ว อาทิเเสสติจากนอนทับป่ทวิงซึ่งแผ่นดินการเลี้ยงอัางอิวาประดุดน้ว่าท่อนไม้และท่อนฝืนนิระธรรมหาประโยชน์มิได้